ใช่ 36, มสามสิบหกมาร์จิตมาร์เจตสิกเดอะเจตสิกที่เกิดร่วมกับมาร์ากด้วยทีนี้ในบรรดาเจตสิกที่เกิดร่วมกันกับมาร์กนั้น เ, นเอามาร์กแปดออกเหลือเท่าไหร่สามสิบหกเหลือเท่าไหร่สามสิบหกออกแปดเหลือยี่สิบเท่าไหร่ยบดไห ม, ไมเมคนี้นับอย่างนี้เขาเรียกว่ายี่สิบแปดบวกจิตอีกหนึ่งเป็นยี่สิบเก้า อันนั้นเขาเรียกมรรคจิตตัวบาท29ีามรรคจิตตัวบาท29นั้นน่ยไม่ใช่มรรคสัตว์แต่เป็นธรรมที่เกื้อหนุนมรรคสัตว์เป็นธรรมที่เกิดร่วมกักบมรรคสัตว์เป็นธรรมที่เกิดร่วมกันกับมรรคมีองค์8ปดสรุปก็คือนามขันสี่คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันและวิญญาณขันทีนี้ขันเหล่านี้ตั้งอยู่ตรงที่หาที่วัตถุ ข, ของพระผู้มีประภาค ตอนนั้นตั้งอยู่ที่หาไทยของพระมหาบุรุษตอนเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้แทงตลอดสภาวะของอริยสัจแต่ด้วยการที่ทำปุเพนิวาสานุสติยานในปฐมยามนี่ต้องเชื่อมโยงจะได้เห็นคาว่าสัมมาสัมพุทธะทีญญ่ชัดเจนในปฐมยามที่เชื่อมโยงในเรื่องของสัมมาสัในในในตอนปฐมยามที่ทาปุปปปเพนิวาสานุสติยาน คือยานที่เป็นไปกับสติที่ตามลึกชาติทุนหลังได้อันนั้นคือกลุ่มนามมาำมรรมซึ่งเป็นปัญญามันเงินอันนั้นเป็นเรื่องของปัญญาที่มีฐานจากอะไรปัญญาที่มีฐานจากจตุทชาญเป็นบาศแห่งการทรมภิญญาจตุทชานที่เป็นบาศนั้นแปลว่าพระองค์ได้สมาบัติแป ในสมาบัติแปที่พระองค์ได้นั้นพระองค์มาใช้ฐานของจตุทะชานเป็นบาติางการรำอภิญญาอภิญญานั้นเขาเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติอภิญญานี่นะอภิญญานั้นเกิดขึ้นหลังจากสมาบัติเกิดคือเจตุทะชานเกิดแล้วก็มีอภิญญาตามมาพอหลังจากอภิญญาดับไปแล้วแรงอธิษฐานจากปุเพนิวาสานุสติอภิญญาของท่า น, นทําให้ท่านระลึกชาติผลหลังของตนเองได้ แต่การที่ไปทำกิจแห่งการใข้ครวนพิจารณาจริงๆนั้นเป็นกิจของมหากุสลญาณ น, นสัมและมหากุศลญาณวิบโดยมากเป็นไปกับมหากุศลญญาณ น, นสัมประโยชน์ทีีมีเจตสิกประกอบเบ็ดเสร็จถ้าครบจํานวนก็3าแแต่ไม่ถึงเนี่ยนะเพราะในขณะนั้นท่านทำกิจในการไข้ครวนอะไรท่านไข้ครวรในเรื่องของความเป็นไปของขันทัดยตนะไม่ขาดสาย นั้นความหมุนเวียนเปลี่ยนไปของขันท่าแตยจนาที่เดินหมุนเวียนไปโดยตลอดแนวไม่ขาดสายนั่นแหะเขาเรียกว่าสังสาระพระองค์เห็นความเปลี่ยนแปลงไปของรูปของนามที่เกิดจากพบนี้สู่พบนั้นเป็นต้นและเข้าสู่ตระกูลนั้นสู่ตระกูลนี้เป็นต้นในการเกิดดับของนามรูปเป็นไปตามลําดับอันนั้นเป็นไปในส่วนของวิปัสสนาญาณของพระผู้มีพระภาคตอนนั้นเป็นพระมหาวดุลเดินแล้ว ฉะนา้ น, นามธรรมที่เดินนั้นตั้งอยู่ตรงที่รูปธรรมของท่านนั่นแหละรูปธรรมก็เกิดดับนามธรรมก็เกิดดับก็เป็นไปตอนนั้นก็เรีกวิชาปุรเพณนิวาสานวสติวิชาที่เกิดขึ้นกับท่านโดยมีแรงของอภิญญาเป็นตัวหนุนเนื่องแต่หลังจากอภิญญาดับไปแล้วเนี่ยวิปัสนาญาณของท่านเดินไม่ใช่อภิน ญ, ญาเดินแต่อภิญญานั้นเป็นตัวนําแนวทางหรือกําหนดทิศทางให้ไว้ ต่อปัญญานั้นเข้าไปวิจัยรอบรู้เขาเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณพระองค์ธรำยาตปรินญาเกลี้ยงเลยใช่ไหมทำยาตปรินญาเกลี้ยงเลยตรงนี้ก็คือให้ชัดเจนตรงนี้ว่านั้นน่ะคือพระหมหาบุรุษนั้นได้ทํากิจในการที่ทําปุเพนิวาส า, านุสติญาณวิชาเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดบอดคืออาวิชาถูกทําลายลงด้วย ยาตปริญญาและก็นามารูปปริเชเทยานและด้วยทิฏฐิวิสุทธิพอวิปัสนาญาณเกิดขึ้นเป็นไปตามลําดับอย่างนี้พระองค์ก็ละสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นเสร็จได้พระองค์เห็นความเป็นไปของนามะรูปที่สมมุติว่ามีชื่ออย่างโน้นมีโคตอย่างโน้นมีผิวพันธุ์อย่างนี้เป็นต้นหาที่สุดไม่ได้นี่คือปุเพนิวาสานุสติญาณใช่ไหม นี่คือพระมหาบรุษพอในด้านของมัตฉิมยามพระองค์ก็มาทําจุดตูปปาตยานก็คือใช้ทิประจักขุญานในที่ถ้าพูดถึงว่าอดีตอนาคตนะ่ยเกลี้ยงเลยปุเพนิวาสานุสติยานทํากิจเกลี้ยงเลยไม่ใํากิจอดีตอย่างเดียวอนาคต ด, ด้วยอย่าไปเข้าใจว่าปุเพนิวาสานุสติยานนะั่นรู้เฉพาะอดีตมีอนาคตางังสยานกันด้วยแล้วพอจุดตูปปาตยานนี้รู้จุดติรู้ปฏิสันที อันนี้เข้าในยานสองคือกังขาวิตรนวิสุทธิคือปัจจยะยปริหายานรู้อะไรรู้กรรมรู้อะไรรู้ปฏิจจะเห็นความเป็นไปของปฏิจจะตั้งแต่ยานแรกแล้วเห็นตั้งแต่ยานแรกแล้วฉะนั้นปฏิจจสุบานนี่ชัดทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตชัดเจนหมดแล้ว และในส่วนของยามที่สองเนี่ยกรรม12กรรม16บนี่ชัดหมดเลยเนี่ยกรรม12กรรม16ก็แปลว่าท่านชัดเจนในเรื่องของกรรมแล้วก็เห็นสัตว์ทั้งหลายจุดติปฏิสนุนติเป็นไปตามกรรมอย่างไรก็วิชาที่สองก็เกิดขึ้นเป็นต้นเป็นไปตามลำดับพอในยามที่สามที่เรียกว่าปัดชิมมยามยามสุดท้ายนี่แหละท่านก็ทํำลายอาวิชา ประการที่สี่ตรงนี้ในชั้นของผ้าตกฐาอาจารย์ท่านให้วิปัตนายานแปดเลย อ, อุทยพยาญานเป็นต้นลเลยนี่นสรุปแล้วก็สัมมาสนญาณไม่ต้องกล่าวถือว่ากล่าวเรียบร้อยเบียดเสร็จอดีตอนาคตนี่เป็นไปในสัมมาสนญาาเรียบร้อยแล้วสรุปก็คือว่า นามรูปปริเฉทญาณปัจจะยปริฆ า, ายานสัมมั ส, สนยา น, นเกิดขึ้นในยานหนึ่งยานสองเรียบร้อยโดยเฉพาะยานที่2เก็บรายละเอียดเรียบพอถึงยานที่สก็ตารุณาอุทยพยาญาณก็เกิดเบื้องต้นแสงสว่างเกิดขึ้นอย่างเจิดจ้าไปหลายจักรวาลเนี่นะเป็นแสนกจาจักรวาลเป็นหมื่นจักรวาลแต่พระองค์ไม่ติดไม่สําคัญผิดว่าแสงสว่างนั้นเป็นอริยมรร นั่นคือการไม่หลงเห็นไหมไม่หลงในบัญญัติไม่หลงในปรมัตดเป็นต ท, ทางข้าประหารแล้วก็ในส่วนจริงๆก็เป็นปัจจัยแก่สมูเฉ่ท้ประหารน่นนะเป็นต้นไดน้ทีนี้ในส่วนของที่ท่านเป็นในด้านของยาตปริญญาตีเรณ่ปริญญาประหานปริญญาประหาน่ะปริญญาที่เป็นไปในส่วนของต ท, ทางข้าประหารนั้นเป็นโลกิยะปฏิเวทยานั้นแท่งตลอดอัดถะ ธรรมะทั้งอัฏฐานและธรรมะท่านชัดเจนจนถึงขนาดว่าไม่ลุ่มหลงในอัฏฐาไม่ลุ่มหลงในธรรมะไม่ลุ่มหลงในบัญญตัติสรุปก็คือถ้าท่านจะวิจัยอวิชชาวิจัยสังขารวิญญาณนามรูปสลายจนะท่านเข้าใจหรือเข้าใจโดยความเป็นความเป็นไปของนามรูปเป็นไปเท่านั้นฉะนั้นวิปัสสนาญาณที่เป็นปัจจุบันของอริยมรรคของท่านเนี่ยชัดเจนมากเป็นไปตามลําดับ ถ้าไล่ไปตามลำดับก็คือต้องไล่ตั้งแต่ปฏิโมค์ ส, องออสังวศีลเลยตัว น, นี้นดูพธาฐานหาทัาฐานนาหาระต้องไปเชื่อมโยงในเนตติบกรคลนะถึงจะชาัดว่าเราจะเห็นว่าการสั่งสมบารมีทั้งหมดของพระบรมศาสดาเอามาเอามาเกื้อนหนุหนหมดเลยทั้งฐานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะสัจจะ ขันติอธิษฐานนเมตตาและเวขาอุปปารมี10ปรมัตถารมีสิเป็นตัวหนุนเนื่องโพธิปักขีณธรรม37คือสติปัฏฐานสมบูรณ์านอิทิบาทอินทรีย์พระพุทชงอริยามรรคยงแปดที่ไปอุปมาเหมือนกันดุมเลยแหละตัวโพธิปักขีณธรรม37มสินแหละที่ไปวิจัยวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสลยญานะใช่ไหมซึ่งเป็นตัวซีกำเพื่อกระทบถึงกองคือฝากมะขามสี่ฝากเกาคือจะได้ลงอริยสัจยัยงไง อย่างนี้เป็นต้นสรุปก็คือว่าอาวิชชาท้องขาที่เป็นอติดาถาชัดเย็นวิญญาณนามรูปสลายยตนาภาษาเวทนาที่เป็นปัจจุบันอัฏฐาเป็นต้นเนี่ยนะตัณหาประธานพระวะเนี่ยท่านก็นชัดชาติชารามรณะเป็นอนาคตอัตถ า, าท่านชัดเย็นหมดแล้วสรุปเราคือปฏิจจานีิเป็นไปในการสามเป็ว่าชัดในอัธยาศัยของท่านตรงนั้นเน่ยถ้าถามบอกว่าวิปัสสนาญาณชั้นสูงไม่มีบัญญัติเป็นอารมณ์พดีแหละ ใช่จริงมีในขณะที่ท่านไปแทงตลอดอริยส